อาจารย์นี่คนนิมนต์อาจารย์สุรินนะครับเราแต่งทำให้พวกเราฟังด้วยกราบบูชาคุณพระรนาตาีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาบระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อคำเขียนขอกาศพระอ า, า, าจารย์ไปสารครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อสาธ ม, มิตรเจริญพรอยังแม่ชีและญาติโยมทุกคนงานของหลวงพ่อก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อกี่วันซึ่งก็เหลือไว้แต่ความทรงจําและความประทับใจเมื่อ วันที่8ดกับวันที่9้าเนี่ยอารตมาได้นำภาพเหตุการณ์ต่างๆบรรยากาศของงานประชุมเพลิงเผาศิริะของหลวงพ่อคามเขียนบัลงในเฟซบุ๊กให้ใครยามิตและเพื่อนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อได้ชมกันซึ่งจะรวบรวมภาพจากช่างภาพมืออาชีพหลายกล้องซึ่งอาตมาก็พบเป็นพันๆภาพก็ถือว่ามากพอสมควร แต่และกล้องก็ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่เราแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็ ค, คือความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเพราะวันนั้นฝนตกทําให้ผู้บรร่วมงานเนี่ยได้รับฝ่าวลาบากคือดินก็เปียกบางคนก็ไม่มีล่มเปียกทั้งตัวเลยแล้วบางคนเน่ะตากฝนหาถูกมะติ่งปรคุมหัวมากอะไรมากเน่ะแต่ศรัทธาในผู้คนที่มีต่อหลวงพ่อก็ไม่ท้อถอยก็ตั้งใจอยู่กันจนเลิก ถึงกลับบ้านกันเหตุการณ์วันนั้นก็เหมือนเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะผู้คนมาไปมากันเป็นหมื่นผู้คนมากันมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งผู้คนก็ส่วนมากก็รักหลวงพ่อซึ่งวันนี้อนามาก็ตั้งใจจะนำเรื่องราวของหลวงพ่อมาเล่าเพระธมมาส่วนมากเป็นคนถ่ายภาพหลวงพ่อไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็ได้เล่าเรื่องบันทึกภาพช่วงสุดท้าย ในชีวิตก่อนรัสังขารหลวงพ่อแต่วันนี้เราจะพูดถึงบันทึกภาพก่อนก่อนป่วยก่อนป่วยนี่เอาสักสามเดือนก็พอเพราะว่าช่วงสามเดือนถือว่าเป็นช่วงช่วงที่ใกล้ที่เรามาได้บันทึกภาพหลวงพ่อไว้ถ้าราดับเหตุการณ์หลวงพ่อเนี่ยจะมีวัดในเครือข่ายสามวัดคือวัดภูเขาทองวัดป่าสุกโตและ ว, วัดป่ามหาวานหรือภูหลง สามวัดที่เป็นวัดพี่วัด น, น้องไปมาหาสู่กันเวลามีงานก็ต้องร่วมกันช่วยเหลือกันภาพที่เรามาบันทึกไว้เราจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาวันที่20วันที่20ก็มีขะถินที่วัดป่ามหาวันหรือปูหลงเพราะเมื่อภาษาที่แล้วหลวงพ่อจะมาษาที่บูหลงแล้วก็มีกํานันวรเดชกับยมตุกเป็นเจ้าภาพขะถินก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เคารพทังหลวงพ่อและพราจาไปสาร ไปร่วมงานกันแล้วก็บันทึกภาพไว้อันนี้ก็ไปดูได้ก็เป็นบรรยากาศที่ที่น่าปิตแต่แต่งานกระถินเนี่ยจะจัดใกล้ๆกันพอหลังจากผูหลงไม่กี่วันพอวันที่ยี่บสองยี่บสามก็มีการจัดการรับกะถินที่วัดผูขอทองซึ่งวันที่ยิบสองก็เป็นการเปิดสาราน้าใสซึ่งก็เป็นงานใหญ่ชาวบ้านท่าไฟหวาน ก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยเพราะว่ามีมีการละเล่นค่ามีแบบเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านซึ่งหลวงพ่อก็รับแขกแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเที่ยวรึกกับลูกศิษย์ลูกหาซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ชาวท่าไวยหวานมีความสุขพระป่าสุกโตก็ไปช่วยไปช่วยงานตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งของหรือจัดที่ต่างๆเนี่ยแล้วพอในยีิบสาก็รับกระถิน เราก็ถึงปีนี้ก็มีพิเศษตรงที่ว่าพระอาจารย์ไปสารไปเทศเพราะต้องนานอนะมาไม่เคยพระอาจารย์ไปสารไปเทศที่ปัวทองเลยเผือเป็นปีแรกเป็ปีสุดท้ายที่ได้ร่วมกับหลวงพ่อเพราะโดยปกติแล้วพระอาจรารย์เนี่ยออกพรรษาท่านก็จะมีกิจมิมนตไปที่อื่นมันก็อยู่วัดแต่เพเอิญปีนี้จัดให้วัดป่าสุขโตเยลยอะรักปถินนี้หลังสามวัดเนี้ยอาจารย์เลยไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ก็มีโอกาสาได้เทศแล้วก็ถ่ายรูปลู ก, ล ก, กหลวงพ่อ ซึ่งนัมมาก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็นำไปลงในเฟซบุ๊กซึ่งถ้าใครเป็นแฟนเพจก็สามารถไปดูได้ไปชมได้คือเป็นภาพแห่งความทรงจำที่มีคุณค่าแล้วหลังจากนั้นวันที่26วัดป่าสุกโตก็มีการรับกระถินอันนี้เป็นฉากใหญ่นะเพราะว่าวันนั้นจะมีผู้คนมากมายมาร่วมงานกระถินวัดป่าสุกโตแล้วทางวัดเราเนี่ยก็มีการถ่ายรูปหมู่ ซึ่งหลวงพ่อก็มานั่งถ่ายรูปที่หน้าประตูวัดคู่กับพระจบบาไปาสารหลวงตากลมแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งพระแม่ชีและญาโยมในวัดซึ่งถือเป็นฉากใหญ่มีกล้องมันกือไว้หลายตัวซึ่งหายชมได้เหมือนกันและถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ฉากใหญ่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของหลวงพ่อด้วยที่ถ่ายไว้กับวัดป่าสุกตโตเพราะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีถ่ายฉากใหญ่อีกเลย พอช่วงรับพอช่วงหมดงานกรถินต่อไปก็เป็นการเดินธรรมยาตาปีที่แล้วหลวงพ่อเดินธรรมยาตาตั้งแต่หนึ่งถึงแปดหลวงพ่ออยู่ครบทุกวันเลยซึ่งไม่เคยมีมะก่อนเหมือนกันเราก็จะเห็นภาพหลวงพ่อหลวงตาโกม์เลยอยู่คู่กันจูงมือมีตากล้องถ่ายรูปไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่ซึ่งบรรยากาศของการเดินธรรมยาตาบางช่วงหลวงพ่อก็แอบเดินอยู่ข้างหลัง ไม่มีกล้องถ่ายก็มีบาง บ, บางช่วงแล้วหลวงพ่อเดินอยู่หลังขบวนถึงไม่มีใครรู้เพราะตากล้องจ้องกถ่ายข้างหน้ามีช่วงวันแรกแรกหลวงพ่อเดินเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้กันแต่หลังจากนั้นที่อมอมาบันทึกภาพหลวงพ่อชัดเจนก็คือวันที่หกธันวาพอตอนนี้เราก็ต้องสังเกตดูแล้วหลวงพ่อเดินร่วมหรือเปล่าแต่หลวงพ่อบางทีเดินเดินบางช่วงแล้วก็เดินออกไปเลยจะไม่ได้เดินนานแต่ในช่วงวันที่6กธันวานเนี่ยหลวงพ่อเดินนานแล้วก็เดินไกลด้วย วันที่หกธันวาอันมาก็สามารถสร้างอัลบั้มภาพได้อัลบัม้มอัลบั้มนี้ชื่อว่ากำลังใจจากหลวงพ่อเขียงเพราะหลวงพ่อเนี่ยสร้างกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่มาร่วมเดินรำยาตาเนี่ยให้มีกำลังใจเดินว่าคนแก่เขาเดินไหวเดินไปถือไม่เท้าเดินไปเรื่อยๆรูปที่ถูกบันทึกไว้คนไม่เห็นก็มีกำลังใจ เราเดินสู้คนแก่ไม่ได้ก็เกิดลความละอายใจและบางคนก็เลยไม่ท้อต้องเดินให้ถือที่หมายให้ได้เพราะบ า, บางวันก็เดินไกลบางวันก็เดินใกล้ซึ่งการเดินธรรมิกตาเอา น, น่ออนไม่ได้บางวันก็แดดร้อนงเปียงๆ เ, เลยบางที่ก็เป็นขึ้นเขาบางที่ก็ลงเขาจึงมีหลายอารมณ์ให้เราได้สัมผัสกลางคืนก็หนาวนั่นการเดินให้รุ่ร่วงตลอด ทั้งเจ็ดวันเนี่ยก็ต้องอาศัยความอดทนและมีจิตใจที่เข้มแข็งซึ่งพระจาไปสารก็ถอดรองเท้าเดินมาหลายปีท่านไม่ยอมถอลรองเท้าเลยบางทีก็อยางแตกก็มีเป็นตัวอย่างให้ดูการเดินทวีตตาของหลวงพ่อครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตบางปากก็ถ่ายรูปลวกหลวงตากกมซึ่งกีเป็นรูป ส, สวยๆมากถ้าไปเปิดดูนะในเฟเนี่ยที่อันมาเคยนไปลงบางวัน หลวงพ่อก็ออกกําลังกายเล่นโยคะมานวดผ้าจ้าไปสารก็มีซึ่งภาพเหล่า น, นี้จะไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็หลวงพ่อก็หน้าตายิม้มแย้มยจําใสคือคนที่อยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขคือตัวหลวงพ่อในมีความมีความพิเศษอย่างคือเป็นคนที่สงบเย็นสายตาอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมใครเข้าใกล้ก็มีความสุขอันนี้คือจุดเด่นของหลวงพ่อ ซึ่งการเดินทรรมยาตาปีนี้ก็ไม่มีหลวงพ่ออีกแล้วแต่พวกเราก็จะเดินต่อไปรู้สึกทรรมยาตาปีนี้จะตั้งชื่อว่าอายะบูชาหลวงพ่อด้วยด้วยเดินเพื่อระลึกทดแทนบุญคุณหลวงพอ่อซึ่งภาพเหล่านี้พวกญาติโยมหรือกยามิตรก็ไปหาชมได้ใน a c e b o o k นะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยมาก็ลงบ่อยใครเห็นก็มีความสุขจะมีหลากหลายทางอารมณ์มากมายแล้วอัลบั้ม อีกอัลบั้มหนึ่งเป็นอะบั้มของปีนี้ก็คืออะบั้มวันขึ้นปีใหม่ที่วัดภูเขาทองซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอธรรมาที่ได้บิณฑบรราตกับหลวงพ่อเพราะในชีวิตธรรมาเนี่ยไม่เคยรู้บิณฑบาตกับหลวงพ่อจริงๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งวันนั้นเป็นวันที่รับบาดวันขึ้นปีใหม่มกราคม2557ซึ่งธรามมาก็บันทึกภาพแล้วก็นําไปลงเฟซบุ๊กหาชมได้ ก็มีชาวบ้านท่าไฟหวานมาร่วมตักบาตรหลวงพ่อตั้งขบวนยาวแล้วหลวงพ่อก็รับบาตรอัิบาก็เดินตามแล้วก็จัดตรงหมิงแล้วก็คนอื่นในวัดปุกอทองกับพระสุกตะวัดป่าสุาสาสตไปร่วมกันก็เป็นภาพที่ใครเห็นแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็ร่วมเดินจนเสร็จพิธีวันนั้นก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่ได้รูปที่ดีแล้วต่อมาถือว่าเป็นอารบัสุดท้าย ในชีวิตของหลวงพ่อก็ได้ที่ยังยังไม่ป่วยยามปกติอยู่คือวันที่สิบสองมกราคมสองห้าห้าเจ็ดอันนี้อามาก็ไปร่วมงานกับหลวงพ่อด้วยไปฉันอาหารเพนที่ชมรมเด็กลักนกซึ่งวันนั้นวิชัยจัดการทำบุญยุ้งฉางข้าวซึ่งก็ให้หลวงพ่อไปเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลก็นิมนต์ไป แต่อันนี้เป็นฉากขนาดเล็กเขาพาที่ไปก็ไม่กี่รูปมีอาตมาอาจารย์ตุ้มจะตรงหมิงหลวงพิช้างหลวงพิสังและก็พาในวัดกุหอทองไม่กี่คนที่ร่วมไปแต่บรรยากาศนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ป่วยป่วยแล้วเขา้าโรงพยาบาลอันนันก็ถ่ายรูปหลวงพ่อได้เยอะอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยเดินกลับบ้านกุหอทองเองไม่ยอมนั่งรถเดินถือไม้เท้าตอ ก, ต ก, ตก อัามาก็เดินถ่ายรูปหลวงพ่อไปตั้งแต่ชมลมเด็กและนกจนถึงจนถึงปากทางเข้าชมลมหลวงพ่อมาเข้าประตูรั้วที่ข้างสถานีวิทยุปัตหัวทองแั้วก็สิ้นสุดการถ่ายรูปซึ่งเมื่อวานอามาก็นําภาพเหล่า น, นี้มาลงในเฟซบุ๊กชื่อว่าภาพชุดสุดท้ายก่อนป่วยแต่ที่จริงอามาเคยนํามาลงแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12มกราคม257 แต่เมื่อวานอามานําภาพที่ไม่เคยลงมาลงอีกทีหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆกัลยาณ ม, มิตรได้ชมความหลังเพราะบางภาพออกมาก็ไม่ได้คิดลงเท่าไหร่เพราะแต่เมื่อวานจะลงลาดับเหตุการณ์ตั้งแต่ฉากแรกจนถึงจบเนี่ยเราจะไม่รูปภาพเนี่ยจะลําดับเหตุการณ์โดยที่ว่าธรรมดานิสัยอรามาเวลาลงภาพเนี่ยเราจะเลือกรูปีสวยมาเป็นมาเป็นรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่เพื่อให้ญาติโยมเห็นว่า เอาเอารูปสําคัญมาลงก่อนเ่ะแต่เมื่อวานเราจะจ ะ, จ ะ, จะลงตาเหตุการณ์เลยเพราะบางรูปถ้าเรารูไ้ไปสำคัญมาลงก่อนน่ยอยู่หัวเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าลูบอะไรเผลอๆไม่เข้ามาดูซึ่งอัลมาก็ต้องสร้างความสนใจให้กับคนมาชมเราก็ต้องหาภาพดีๆมาก่อนครูบาอาจารย์ที่คนรู้จักอ่ะมาอยู่หัวอันนี้คือวิธีการทํางานใน Facebook ก็เหมือนร้านอาหารอ่ะถ้าร้านอาหารโปรโมทไม้เป็นคนก็ไม่มากินอาหารร้านเราเหมือนกันคนก็ไปกินร้านอื่น การทํางานออกมาจึงต้องวางแผนเหมือนกันเพื่อคนมาชมคนมาชมภาพคนมาอ่านข้อเขียนของจารีสารหรือคนอ่านธรรมะสัน้นๆต่างๆแล้วก็ต้องวางแผนตัวเนี้เขียนคำนำหรือว่าสร้างจุดเด่นให้เขาเข้ามาชมมาดูกันแล้วนอกเหนือนจากนั้นหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีดิไซน์ส่วนตัวอยู่อย่างหนึง่งที่เราคาดไม่ถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อปีสองห้าสี่แปดอันนี้อาจจะอาจจะถอยหลังไปไกลหน่อย วันที่17มิถุนายน2548วันนั้นก็มีข่าวใหญ่พระสุโพศ ส, สุวัจโจถูกฆ่าฟันเละเทะหมดเลยวันนั้นแล้วก็ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งพระสุโพศหรือหลวงพี่สุโพศที่เรารู้จักเนี่ยก็จะก็จะอยู่ในกลุ่มเสียียธรรมถูกฆ่าตายที่สวนเมตาธรรมอเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหตุการณ์ก็นานมาเก้าปีแล้ว แต่เหตุการณ์นี้ทําไมอันมาถึงนำมาเล่าเพราะาเชื่อมโยงกับหลวงพ่อองเถี่ยและเชื่อมโยงกับอันมาด้วยเพราะว่าอีกอีกวันหนึ่งอันมาไปไปกับผูจ้จัดลงศีลเนี่ยไปที่มหาสารคามไปกับหลวงปู่วัเทพซึ่งตัวอันมาตัวนั้นก็อยู่ในอารมณ์ที่ว่าดีใจปลื้มใจนะเพราะเราเราเกิดมายังไม่เคยมีแว่นตาใส่เลยมีครั้งที่ครั้งแรกอารมณ์ดีใจนี่ก็ปลื้มใจอ ย, อยู่พอสักพักหนึ่งรถจอดที่ร้านเซเว่นมั้งก็ไปซื้อซื้อสื่อพิมพ์มาฉบับหนึ่ง แล้วก็ดูไปดูบาเราก็เห็นเอ๊ะข่าวพระถูกฆ่าหลวงกอรไม่ใหญ่อะ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเพระเพราะคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเราไม่รู้จักไงเราไม่ดูแลละเอียดพอดูอีกรอบนึงเอ้าเอ้ะนี่หลวงพี่สุพจน์เด็กอารมณ์เปลี่ยนแล้วนะโยมพอคนที่เรารู้จักถูกฆ่าเนี่ยกับคนที่เราไม่รู้จักถูกฆ่าเนี่ยอารมณ์จะไม่เหมือนกันคนอารมณ์กันยิ่งถ้าคนโดนฆ่าเนี่ยคนตายเนี่ยเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรักเนี่ยยิ่งแล้วไปใหญ่เลย ประการให้ข้างเราเนยจะให้ไม่เหมือนกันคนที่ไม่รู้จักตายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาผ่นานๆไม่มาทุกข์หรือไม่มาเก็บไว้ในความลงจําแต่ถ้าคนรู้จักปุ๊บอารมณ์มันเปลี่ยนอันว่าเห็นอารมณ์ตัวเองเลยนะพอจากตอนแรกดีใจเนี่ยอารมณ์เนี่ยความหดหู่ใจมันเข้ามาแทนอารมณ์ดีใจเมื่อสักครู่ที่ได้แว่นตานหดถูใจมากกว่านั้นคือไอ้ที่ได้มาเนี่ย ห, หายหมดความดีใจคืนนั้นแทบนอนไม่หลับเลยสงสารหลวงพี่สุพจน์ เห็นใจแล้วก็หาวิธีไปงานศพซึ่งศพก็จัดอยู่ที่วัดโฉลปทานปากเกร็ดอันมาก็ไปลาหลวงพ่อว่าจะไปร่วมงานศพหลวงพี่สุพจน์หลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นท่านก็ไม่รู้จักหลวงพี่สุพจน์เป็นการส่วนตัวนะอันมาก็เล่าท่านฟังว่าถูกฆ่าตายเป็นพานักล้กลักหลวงพ่อสักพักหนึ่งหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็นึกไปนึกมาเ ด, ด, ดี๋ยดีนะหลวงพ่อไปด้วย หลวงพ่อจะไปร่วมงานด้วยเพื่อไปให้กําลังใจวันนั้นตัดสินใจไปหลวงพ่อก็เอารถขอาอาจารย์ตู้แบบรถโฟล์วิวอะแต่ก็หาโชเฟอร์ไปได้นะโชเฟอร์ก็ขับไม่ค่อยเก่งนั่งไปต้องลุ้นไปตลอดทางจะถึงไหมเนาะถึงไหมเนาะแต่ก็ถึงอยู่ได้ว่าโชเฟอร์ก็เปลี่ยนเกียร์ไม่ค่อยเป็นอธิการนบอกว่าเปลี่ยนเกียร์ตลอดทางเราจะขับเองก็ไปได้เราเป็นพระขับเองก็ง่ายกว่าก็เลุ้นจนถึงวัชนถึงก็ตอนบ่ายเกือบเย็นแล้วพอหลวงพ่อไปถึงพวกพระที่อยู่ที่นั่น ก็รีบมากราบหลวงพ่อกันสมวนมากจะเป็นพระที่อ่ามาคุณหน้าเป็นพระพวกส่วนโมกแล้วกพระกลุ่มเสขียธรรมแต่ละคนก็ดีใจนะที่หลวงพ่อให้เกียรติมาร่วมงานเพราะว่าหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงก็จะอุตส่าห์ให้เกียรติกับพระที่ตัวเองไม่รู้จักคือยอมมาร่วมงานด้วยอันนี้แสดงให้เห็นถึงน้ําใจของหลวงพ่อแล้วมีหลายงานที่หลวงพ่อเนี่ยจะไปร่วมงานศพให้กลังใจเจ้ากภาพก็มีหลายงานมาก บางงานหลวงพ่อก็จะทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยส่งเสริมก็มีอย่างเอามะพร้าวล้างหน้าศพหรือทําพิธีอะไรยาวๆนานๆบางทีครึ่งวันก็มีบางวันเน่ะซึ่งแต่ละที่จะทําไม่เหมือนกันงานศพแต่หลวงพ่อก็ไม่ทุกกิจเหตุการณ์เหล่านี้หลวงพ่อไปได้แล้วก็อยู่ได้อยู่จนเลิกอันนี้คือความเมตตาส่วนตัวหลวงพ่อซึ่งทําอะไรเราคาดไม่ถึงเสมอคือคิดปุ๊บแล้วก็ทําเลยคิดปุ๊บแล้วไปเลยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าแต่หลวงพ่อสอนศาสนาให้เราเห็น ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพ้นได้พ้นเลยจะต้องเจอและประสบกับทุกคนอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราก็หมาดไม่ได้เพราะวังครั้งเนี่ยสิ่งนี้มาแบบฉับพลันมากอย่างตัวของอารามาเองเนี่ยเคยเจออบุบัติเหตุที่หนักๆแบบอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีสองห้าห้าสองปลายปีปั้งอารามาไม่ได้ไปร่วมเดินทัพยาตาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเหยียบผิดจังหวาปุ๊บขาแพงเลย ดังป๊อกเนี่ยแบบตอนแรกนึกว่ากระดูกกระดูกหักแล้วช่วงนั้นที่วัดก็ไม่มีใครอยู่ซึ่งอนามาปวดมากเดินจากแต่นมาก็เป็นคนที่ยามเจ็บยามปวดแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะตอนนั้นไม่มีใครนํานำทวัดทีอหอ่หัวใจเรามาก็อุตส่าห์ถือใบเท้าเนี่ยพยุตัวเองมาเจอถึงอหอัวใจใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่ามั้งซึ่งเป็นเราไม่มาทำก็ได้แต่เรามีความสุขเราต้องมาทํามานําทำวัดตอนนั้นรักษาตัวแบบใช้ชีวิตอยู่ในวัดก็เกือบเดือนกว่าจะหาย ซึ่งเป็นอุบเหตุที่เราคาดไม่ถึงแล้วมีครั้งหนึ่งก็ช่วงงานศพหลวงปู่วัเทพเนี่ยเดินรีบร้อนเหยียบเหยียบกระไดเท้าเราไม่แตะกระไดเลยนะเหยียบเหยียบอากาศแล้วหลังก็ฟาดกับกระไดยอย่างแรงเลยนึกเห็นภาพแล้วว่าถ้าเป็นคนแก่หรือคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็เผื่อหลังหักหรือน็อกได้เลยะแต่มาตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าร่างกายดีก็ฟื้นตัวเร็วก็ไม่ไม่เป็นไรแต่น่ากลัวถ้าอุบัติเหตุมีครั้งที่หนักที่สุดก็คือปีที่แล้ว เดินเหยียบพื้นดินลื่นลอยทั้งตัวแล้วก็ฝ้าไอ้แขนอยู่ข้างล่างมาทับป๊อกตอนแรกเนื้อกระดูกหักแล้วแขนบวมกระดูกหลุดซึ่งก็นอนปวดทั้งคืนเราก็ทนกับเวทนาก็เป็นเดือนเหมือนกัน ก, นกว่าจะเริ่มหายปวดซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนอุบัติเหตุประมาทไม่ได้เลยอย่างหลวงพี่สุพจน์เราก็ไม่คาดว่าท่านจะต้องมาล่าอุบัติเหตุโด ون ฆ่าตาย ท่านก็เป็นพระหนุ่มที่มีอนาคตมาตายต่ออายุประมาณสามสิบเก้าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ย่างหลวงพิชัดเนี่ยหลวงพิชัดชัยวัดเรารู้จักอาจจะเมื่อก่อนท่านก็เป็นรักษาการเจ้าวาดหรือเป็นเจ้าสำนักนยอยู่ที่บุรีรัย์หลวมพ่อเทียนอันลาก็อยู่กับท่านอยู่หือ ท, ท่านก็เป็นพระที่มีอนาคตขนาดโทรทั์เชิญไปเทศก็มีพูทธมารเก่ง แล้วก็เป็นอาจารย์สอนกับมาฐานด้วยแต่แต่เหตุการณ์ก็พลิกผันพอท่านเกิดอุบัติเหตุตกหลังคาปุ๊บหัวสมองไปฟาดกับโต๊ะซึ่งก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดสมองออกตอนนี้ท่านก็สูญเสียความทรงจําแต่ก็รักษาชีวิตไปได้แต่ว่าความทร ง, ทรงจําส่วนที่เรียนมาตลอดชีวิตเนี่ยหายหมดเลยตอนนี้ก็จะเหลือแต่เหลือแต่การกระทําของจิตใด้สานึกวันทีอาจมาถามว่าอาจารยชื่ออะไรแกก็จําไม่ได้ คือความจําเสื่อมเสรุปแล้วความจําภายนอกเนี่ยสามารถเสื่อมได้บางคนโดนตีหัวหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะหลงลืมละไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรชื่ออะไรคนที่เคยรู้จักก็ลืมหมดท่านความจําจึงไม่เที่ยงอย่างหลววิชาได้เคยฝึกเจริญสติรู้สึกตัวท่าเดินโยกมทุกทุกทุกคืนนะตอนสองทุ่มสองทุ่ถึงสามทุ่เนี่ยท่าจะเดินทุกวันอนมาก็เห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านทำความเพียรตัวเองทุกวันที่ท่านติดทิศตัวท่านก็เดินง่ายอยู่อันนี้อันนี้เถือไม่ไม่ทิ้ง ฝันฝึกตัวมันทําจนเป็นนิสยัยทําจนเป็นอัตโนมตัติถึงเวลาก็ต้องทําแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็ยังไม่มีนิสัยตัวนี้เลยมันก็ทําตามสาัญชาตญาณตัวเองตัวเองชอบอะไรมันก็ไปทําอย่างนั้นแหละดงนั้นคนเราเนี่ยกรยารยามิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงสําคัญถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ทําอะไรแบบไปสู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะคนชอบกินเหล้าก็าไปกินเหล้า คนชอบเล่นการพ น, นันก็ไปเล่นการพ น, นันคนชอบตั้งวงนินทาหรือตั้งแบบตั้งก๊กตั้งเหล่าก็จะไปสมหัวกันคือแต่ละคนชอบอะไรก็จะไปหาสิ่งนั้นเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันมีกิเลสไม่เหมือนกันดีไซน์ก็แตกต่างกันดนั้นเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จักตัวเองเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่อันนี้อา น, นาเชื่อว่าในที่นี้ไม่มี้ถ่ตอบได้อันนี้ไม่รู้จริงๆแล้ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ แล้วก็ไม่มีหลักวาระอยู่ได้ถึงวันไหนแล้วก็สองเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจเจ็บป่วยเมื่อไหร่เกิดหรือบาดเหตุตอนไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกัเราได้ทุกวันโ ด, โดยที่เราคาดไม่ถึงแล้วคนที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือที่ไหนต่างๆที่เราเห็นน่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเขาติดต่วสิ่งนี้สิ่งเป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเหมือนกันอย่างอย่างวันนี้ยวันที่สิบเกันยายนเนี่ย ก็เป็นวันที่สะเทือนขวัญชาวโลกเมื่อประมาณปี2544หรือ45จำอันมาจําก็ได้น่าจะ44นะอันนั้นอะสะเทือนโลกเลยเพราะเป็นวันที่ตึกเวอร์เทดโดนเครื่องบินถล่บินมาชนแล้วคนตายหลายพันคนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้คนคาดไม่ถึงเพราะยามนั้นเนี่ยพยายามที่ฟ้าสวยเป็นบรรยากาศยามเช้าไม่มีใครคาดได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่มันก็เกิด สิ่งเราทําได้คือควาไม่ประมาทแล้วก็ทําใจยอมรับถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะเราต้องปล่อยวางได้ทําใจยอมรับได้เราก็จะทุกข์น้อยลงแล้วก็สามเวลาเวลาที่จะตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะตายตอนไหนเชา้าสายบ่ายเย็นกลางคืนตายได้หมดไม่มีใครรู้อะไ น, นี้แล้วก็สี่สถานที่จะตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะตายที่ไหนเราจะตายที่บ้านเราตายข้างนอก ตายบนถนนตายในน้ำตายที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีหลักประกันแล้วข้อที่ห้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายแล้วจะไปไหนอันนี้ก็ไม่มีหลักประกันเหมือนกันบางคนก็บอกตายแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบเพราะเราชอบอยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละจิตมันจะมันไปไปที่ตัวเองชอบอ่ะไปสู่ที่ชอบแต่สิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือการเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวอันนี้พึ่งได้ แต่เราฝึกสติบ่อยแล้วก็สามารถล้างกรมล้างเวรแล้วก็สร้างทีสัยใหม่ได้แล้วก็มีที่พึ่งเพราะอย่างหลวงพ่อเขียนนะท่านก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาดูว่าท่านเนี่ย ม, มีสติตลอดท่านป่วยไอ้ทุกทางเวทาทางกายบ้าถ้ากระดิกตีนกระดิกนิ้วอันมาเคยก็ไปถ่ายวิดีโอท่านก็ถ้าขยับตีนตลอดบางทีก็คือนิ้วคือหลวงพ่อเนี่ยจะมีสติโดยธรรมชาติตีนท่านจะขยับตลอดเลยนิ้ว่กะดิกนิ้วกะดิกนิ้ว อขย่าครึงมือเล่นซึ่งถ้านก็ทำให้ดูพ่าสิ่งเหล่านี้พวกเรานะสามารถเกิดขึ้นได้เราอย่าประมาทในชีวิตความเจ็บความป่วยความตายเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยบางทีเราอาจจะเห็นกันเนี่ยแป๊ บ, ปบเดี๋ยวตายแล้วก็มีอันว่าเคยเจอคนระับบางทีคุยกันแป๊บๆสักพากนึ่งอา้าวโดนรถชนตายแล้วบางคนกําลังมีอนาคตเพิ่งเรียนจบมาเลี้ยงฉลองเกิดอุบัติเหตุตายไปก็มีแล้วชีวิตเราเนี่ย เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยไม่มีหลักประกันสี ท, ทาได้คือบามไม่ประมาทพาไม่ประมาทหลวงพ่อเขียนก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างให้ดีตลอดชีวิตของท่านก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจลูกซู้ๆื่อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรอะไรกับอะไรเนี่ยหลวงพ่อเขียนจะพู ด, พดบ่อยถ้าเราไปวัดผู่ขอทองนะเราจะได้เห็นต้นท่โคตซึ่งหลวงพ่อชอบเปรียบตัวเองกับ อนามาคือที่พลดใหญ่ใบดกกิ่งก้านปกเบื้องบนคนอาศัยเชิญพักผ่อนได้หายร้อนและจึงไปจะสุกกายสุกใจรู้ซึ้งถึงพระธรรมหรือไม่กขข็ข้อเขียนขนาดสั้นๆทำใจให้เหมือนบัวทำตัวให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินและมีอีกหลายข้ออนามาก็ประจําจํามาเล่าก็ไม่ไหวก็มีอยู่คติเตือนใจต่างๆที่หลวงพ่อ ได้เขียนเอาไว้ที่เรามาก็เห็นว่าพูดมาเนี่ยก็สมควรกับเวลาซึ่งก็ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่าน